สมมติคือความว่างว่างโดยสมมุติโลกเราทุกวันนี้ยึดติดอยู่กับสิ่งสมมุติและยึดในสมมุตินั้นจึงถูกขังอยู่ในกรอบของสมมุติจนดิ้นไม่หลุดถ้าอยู่เหนือสมมุติได้ก็จะเป็นอิสระจากสิ่งที่มาบีบบังคับกักขังเราไว้เราลองมารู้จักสมมุติกันสักนิดอาจจะเปิดมุมมองให้เห็นความเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นสมมติชื่อ ชื่อโดยสมมุติเราเกิดมาก็ไม่ได้มีชื่อมาก่อนแม่ตั้งชื่อให้ว่าสมชายนับจากวินาทีนั้นสมชายมีความหมายที่สุดสำหรับขันนี้พอเริ่มจำความได้แม่เรียกขานชื่อนี้เราจะยึดทันทีเอาสมมติคำว่าสมชายมาทาบที่ตัวเรานั่นเท่ากับว่าคำว่าสมชายขังเราไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวหนังสือไม่กี่ตัวมีอิทธิพลกับสุขทุกข์ได้ถึงเพียงนี้เฉยหรือใครเอ่ยชื่อสมชายเก่งก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภาคภูมิใจมีความสุขใครเอ่ยชื่อสมคิดเก่งก็จะไม่สนใจเพราะไม่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นเราทะเลาะ ก, กับเพื่อนมายืนชี้หน้าแล้วด่าว่าสารพัดคำพูดเราโมโหตาลายพอสุดท้ายพูดว่าระวังไวเ้เถอะสมพร อาการโมโหหายไปอ๋อด่าผิดคนเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นสมพรความจริงด่าแล้วชี้หน้าด้วยไม่ผิดคนหรอกแต่เรียกชื่อผิดเท่านั้นเองความทุกข์ไม่เกิดเพราะไม่ได้ด่าสมชายสมพรไหนก็ไม่รู้เพราะมีตัวตนของสมชายหากเอ่ยชื่อนี้จะมีความหมายมากเลยหรือเดินไปได้ยินคนเอ่ยชื่อแววว่าว่าสมชาย แล้วหันไปซุบซิบนินทากันเอาไปคิดเอาไปกังวลว่าเขานินทาเราเรื่องอะไรทุกไปหลายวันพอไปถามคนนั้นเขาบอกว่าอ๋อพูดถึงสมชายขายไก่ย่างหน้าปากซอยเอาไก่ย่างมาให้ไม่ครบตามจำนวนเงินทุกทีฮ่โอโล่งอกไปทําเอาทุก์กังวลเสียหลายวันที่แท้นินทาสมชายไก่ย่างนั่นเองทุกเพราะอุปทานที่ผ่านไปแล้ว ก็เรียกคืนไม่ได้จึงทุกฟรีไปด้วยประกาศราชนี้แต่พออยู่มาวันหนึ่งนึกอยากเปลี่ยนชื่อไม่อยากได้แล้วสมชายเกิดถูกใจคาว่าสมศักดิ์เปลี่ยนเป็นสมศักดิ์ดีกว่าเท่ดีก็ย้ายที่ขังใหม่ไปอยู่ในสมศักดิ์แทนคราวนี้พอใครเรียกสมชายใครว่าสมชายก็จะไม่หวั่นไหวเท่าใดเพราะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นสมศักดิ์ อยากว่าสมชายก็ว่าไปแต่อย่ามาว่าสมศักดิ์ก็แล้วกันมีเรื่องน่การยึดมั่นในชื่อสมชายก็จะน้อยลงความทุกข์เกี่ยวกับสมชายก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะชื่อนั้นเริ่มไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าใด น, นักเปลี่ยนไปยึดชื่อใหม่ที่เอาคําว่าสมศักดิ์มาวางภาพกับตัวตนของตนไปเรียบร้อยแล้วน่าแปลกที่ตัวตนยังเป็นเหมือนเดิมหน้าตาก็ยังเหมือนเดิม วันเดือนปีเกิดก็ยังเหมือนเดิมบิดามารดาก็ยังคนเดิมบ้านที่อยู่ก็ยังที่เดิมและเป็นคนใหม่ที่ตรงไหนกันเนี่ยอ๋อเป็นคนใหม่ตรงที่อุปทานเปลี่ยนไปนั่นเองไปยึดชื่อใหม่เปลี่ยนการยึดใหม่ไปสุขทุกข์กับสมศัก์แทนสมชายนั่นเองเมื่อคนนี้ไม่เอาสมชายเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วสมชายหายไปไหนสมชายไปอยู่ที่ไหน สมชายก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะสมชายเป็นสิ่งสมมติมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้มีตัวตนจริงเป็นสมมติภาษาในความเป็นสมชายมันเป็นความว่างอยู่ตั้งแต่แรกแล้วมันว่างจากการเป็นตัวใครของใครมาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกมันว่างจากการเป็นตัวใครของใครมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ใครเอาธรรมชาติไปใช้ และไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาตินั้นจากความว่างของธรรมชาติจึงกลายเป็นมีตัวตนมีความหมายขึ้นมาทันทีใครสมมุติอะไรและวไปวางทาบกับอะไรสิ่งนั้นจะมีความหมายทันทีสมชายคือความว่างของธรรมชาติรอเมื่อไรที่มีใครนำอาสมมุตินี้ไปใช้และไม่รู้จักเท่าทันจากความว่างก็จะกลายเป็นความวุ่นทันที ด้วยความมีอัตตาตัวตนของคนคนนั้นถ้ามีความเข้าใจมันก็ยังเป็นของว่างได้ทั้งๆ ท, ที่กำลังใช้มันอยู่นั่นคือมีได้เป็นได้อยู่กับทุกอย่างได้แต่ว่างจากการอุปทานนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกสุขอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าอุปทานนั่นเองและยิ่งอุปทานว่าขันห้านี้เป็นตัวเราสิ่งทั้งหลายนี้เป็นของเรา อุปทานจึงมีที่ให้ไปเกาะมากมายหากไม่เข้าใจความทุกย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ไม่ได้มุ่งหมายว่าต้องละวางทุกอย่างออกจากทางโลกและทิ้งทุกอย่างไปจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ใช่เช่นนั้นเป็นความเข้าใจผิดการออกจากอุปทานออกได้ ท, ทั้งท่านที่ยังอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันเพราะการออกก็คือออกจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้า ในอุปทานเหล่านั้นรู้กลไกรู้วิธีการหลอกล่อของอุปทานที่หลอกให้ไปยึดมั่นถือมั่นและมันก็แบ่งปันความทุกมาให้เพียงมีความรู้เท่าทันขันห่ารู้เท่าทันอุปทานที่มันจะหลอกให้ไปยึดไปรับไปแบกเอาสิ่งต่างๆไว้โดยไม่วางมันลงจึงมีแต่ความหนักอกหนักใจมีอัตราตัวตนมากมายให้แบกให้ยึด ถ้ารู้เท่าทันมีความเข้าใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ติดกับมันใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ทุกข์กับมันอยู่กับสมมุติได้โดยไม่ไปยึดติดในสมมุติเหล่านั้นเพียงแค่รู้จักเข้าใจในกลไกของขันหา้าที่ถูกผลักโดยตันหาอุปทานเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมีกลไกยอย่างไรถ้ารู้เข้าใจปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับสมมติเหล่านั้น ขอให้ท่านลองพิจารณาไตรตรองดูว่าเคยถูกอุปทานในขันห้าหลอกบ้างหรือไม่เพื่อจะได้รู้เท่าทันกันสักทีอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้จริงตามธรรมชาติไม่รู้จริงในกฎสัจธรรมคือรู้ผิดจากกฎของธรรมชาติมีความเห็นแตกต่างไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายความว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ดี ในสิ่งที่ชั่วหรือเลววิชา ค, คือความเห็นที่ถูกตรงรู้ตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นตัวใครของใครมันเป็นของมันเช่นนั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะธรรมชาติมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีดีไม่มีชั่วธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะไปอุปทานอย่างไรว่านั่นดีนั่นไม่ดีนั่นผิดนั่นไม่ผิดธรรมชาติก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดความต้องการของใครถ้ายังคิดว่ามีสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดดีสิ่งใ ด, ง ด, ด, งดชั่วนั่นหมายความว่าบุคคลนั้นได้หลงยึดในอวิชชาไปก่อนหน้านั้นแล้ว จึงเกิดมีตัวเราขึ้นมาคือมีอุปทานว่าขันห้านี้เป็นตัวตนจึงรู้ว่ามีตัวเรามีตัวเขาจึงได้แบ่งว่าเขาดีเขาไม่ดีเราดีเราไม่ดีเราถูกเขาผิดเขาชั่วเราดีหรือว่าสิ่งนั้นไม่ถูกสิ่งนี้ไม่ดีซึ่งโดยความจริงแล้วธรรมชาติไม่เคยแบ่งแยกอะไรมีแต่อุปทานของผู้ที่หลงยึดเท่านั้น ที่เป็นผู้แบ่งแยกคนกลุ่มหนึงหนน่งเห็นคนนี้ว่าดีคนกลุ่มหนึ่งเห็นคนนี้ว่าเลวทุ่มเถียงกันไปด่าทอกันไปแบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกก็ด้วยความเห็นที่แตกต่างกันและทำไมทุกคนจึงไม่เห็นเหมือนกันว่าคนนี้ดีและทำไมทุกคนจึงไม่เห็นเหมือนกันว่าคนนี้เลวทำไมต้องมีความเห็นที่แตกต่างฉันว่าคนนี้ดี แต่อีกคนว่าเลวบรรทัฐานอยู่ตรงไหนที่ว่าดีว่าเลวเหตุผลข้อหักล้างหรือความถูกใจธรรมชาติไม่เคยแบ่งแยกแต่อวิชชาคือความไม่รู้จริงตามธรรมชาติต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกนั่นคือมีความเห็นผิดตั้งแต่ต้นคือเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติจึงเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวตนเป็นของตนจึงได้เกิดมีเรามีเขาขึ้น ด้วยอุปทานหลงยึดว่าขันห้าของธรรมชาตินั้นเป็นตัวเรานี่คืออวิชชาคือความเห็นผิดจากธรรมชาติเห็นดินน้ำลมไฟของธรรมชาติที่มารวมกันตามเหตุปัจจัยที่ส่งมาแล้วอุปทานว่านี่เป็นตัวเรานั่นเป็นของเราเมื่อได้ที่เห็นว่าธรรมชาติแบ่งแยกเป็นสองสิ่งนั่นคือความไม่เข้าใจในความเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเอง เป็นอย่างเดียวที่ไม่มีการแบ่งแยกว่าดีหรือไม่ดีธรรมชาติก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่มีอวิชชาไปอุปทานต่างหากว่าเป็นนั่นเป็นนี่ว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดการที่ยังต้องวนเวียนอยู่ในโลกสมมุติก็ย่อมจะแบ่งแยกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็แบ่งโดยสมมติโดยผู้ที่ยังมีอวิชชามีความเห็นว่ามีตัวตน จึงยังต้องสมมุติกันอยู่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่าเล็กใหญ่กว้างแคบยาวสั้นสูงต่ำดำขาวถูกผิดดีชั่วหากอยู่เหนือสมมุติทุกอย่างก็ไม่มีจริงเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีการเปรียบเทียบแบ่งแยกใดใดทั้งสิ้นนั่นคือมีความรู้ที่ถูกตรงกับกฎธรรมชาติคือมีวิ ช, ชาคือความรู้จริงตามธรรมชาติ ที่่่ไไมด้เเป็นนนนตตััวองการเรียนรู้การทําความเข้าใจในธรรมะหรือกฎธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องยากมากมายหากเห็นได้รู้จริงได้ก็ปล่อยวางได้ง่ายๆเช่นกันดังนั้นการเข้าใจในธรรมะเพื่อการละวางอัตตาและการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันหาในอวิชชาทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างพบสร้างชาติไม่จบสิ้นนั้น จะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายความง่ายก็คือทำความเข้าใจได้ไม่ยากหากเข้าใจจริงเห็นจริงตามนั้นปฏิบัติตามละวางอุปทานขันห้าได้ก็จะเห็นผลของการปล่อยวางคือจางคลายจากทุกได้นั่นเองความยากยากตรงไหนยากตรงที่จะเชื่อได้อย่างไรว่าธรรมะว่ากฎของธรรมชาติจะเข้าใจได้ง่ายถึงเพียงนี้ นี่คือความยากคือยากที่จะเชื่อกับเรื่องง่า ย, ายจึงหันหลังให้และไปสอดแสวงหาคำตอบหารูปแบบที่ยากๆรูปแบบที่ต้องการต่อไปนี่คือความยากคือยากที่จะเชื่อได้นั่นเองผู้ที่เข้าใจได้ผู้ที่มารวมกันได้ก็คือผู้ที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไหรตรองอย่างยิ่งยวดในอันดับแรกคือการให้โอกาสตนเอง ได้ลองศึกษาได้ลองพิจารณาแล้วใช้ปัญญาไตรตรองว่าผิดแผลกแตกต่างไปจากธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือไม่แล้วใช้ขันห้านี้ทดสอบทดลองว่าจะเห็นผลอย่างที่ได้กล่าวไว้หรือไม่เมื่อเบาบางจางคลายได้จริงจึงค่อยเชื่อจึงค่อยมาปฏิบัติในส่วนอื่นๆต่อไปซึ่งนั่นก็คือให้โอกาสตนเองดังนั้นการใช้ปัญญา การพิจารณาไตรตรองจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการปฏิบัติธรรมของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเน้นการวิปัสสนาเป็นหลักคือการเห็นจริงตามธรรมชาติโดยการใช้ปัญญาตัดอุปทานในขันห้านั่นเองจึงไม่มีรูปแบบให้ยึดติดให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องปฏิบัติเช่นนั้นเช่นนี้ต้องอยู่ในกรอบอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นรูปแบบจึงเปลี่ยนไป ไม่เคยทำสิ่งใดนานจนยึดมั่นว่านี่คือรูปแบบและผู้ทำงานทุกคนก็มุ่งเน้นที่จะรักษาประโยชน์ตนเป็นหลักคือมุ่งพิจารณาขันห้าเป็นหลักเพื่อถอนจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าว่าเป็นตัวตนของตนนั่นเองแกงเขียวหวานไก่ไม่มีจริงหลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของแกงเขียวหวานไก่ที่ระบบได้เคยขยายให้ฟังไปบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้รับทราบและอาจกำลังสงสัยว่าแกงเขียวหวานไก่ทำไมจึงไม่มีจริงความจริงแล้วสิ่งที่ระบบได้เคยกล่าวไว้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ไม่อาจไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้หรือดอกดาวเรือง ก็เป็นดอกไม้ตามธรรมชาติเท่าเทียมกันแม้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะแต่ละสายพันธุ์ของต้นไม้แต่เขาเท่าเทียมกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเกิดอยู่ในธรรมชาติตัวต้นไม้ก็มีอยู่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่เคยเปรียบเทียบกันขึ้นมายังไงก็เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นผู้เปรียบเทียบ ใครชอบกุหลาบก็ว่ากุหลาบดีกว่าใครชอบกล้วยไม้ก็ว่ากล้วยไม้ดีกว่าใครชอบดาวเรืองก็ว่าดาวเรืองดีกว่ากุหลาบดีกว่ามีกลิ่นหอมสีสวยกล้วยไม้แข็งๆยังไงไม่รู้ไม่เห็นสวยเลยกล้วยไม้ดีกว่าสวยคลาสสิกทนทานและมีรูปลักษณะสวยงามเป็นช่อกุหลาบไม่เห็นดีเลยหนามเยอะเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้ว ดาวเรืองดีกว่าปลูกง่ายสีเหลืองบานสะพรั่งดูแล้วเย็นตาบูชาพระก็ได้ดอกไม้ทั้งหลายไม่มีผิดไม่มีถูกเขาเกิดมาตามธรรมชาติอย่างนั้นผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้ทั้งหลายใครชอบดอกอะไรก็ไม่ผิดไม่มีถูกเพราะทุกอย่างล้วนถูกต้องตามจริตของแต่ละคนแต่ถ้าชอบดอกกุหลาบแต่ไม่ชอบดอกดาวเรืองทุกใจทุกครั้งที่เห็นดอกดาวเรือง นั่นย่อมไม่ถูกต้องตามธรรมชาติเพราะทุกนั้นมันเกิดกับเราในขันห้าของเรามันไม่ได้เกิดกับดอกไม้เหล่านั้นทุกอย่างเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสมมุติของใครแกงเขียวหวานไก่ธรรมชาติการปรุงแต่งสมมุติภาษาเพราะกล่าวว่าแกงเขียวหวานไก่หลายคนก็คงมองเห็นภาพสีสันของอาหารชนิดนี้กลิ่นของแกงเขียวหวาน และรับรู้ถึงรสชาติว่าอร่อยแค่ไหนความหิวเริ่มถามหาความอยากทานเข้ามาแทนที่อะไรกันแค่พูดคำว่าแกงเขียวหวานไก่แค่เนี้ยทำให้คนรู้สึกหิวได้ที่เพียงนี้เฉยรึนั่นเพราะว่าสัญญาที่จดจำไว้มีหมดทั้งรูปรสกลิ่นสีสันสัมผัสและเกิดอารมณ์ความพอใจเมื่อเอ่ยคำว่าแกงเขียวหวานไก่ ความจำได้อารมณ์ทั้งหลายเลยพากันออกมาเป็นชุดแต่ถ้าบอกเนื้อไก่แต่ถ้าบอกมะเขือเทศแต่ถ้าบอกพริกแกงแต่ถ้าบอกกะทิแต่ถ้าบอกใบโหระพาแต่ถ้าบอกพริกอ่อนรับฟังไปก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายเพราะมันเป็นของของมันอย่างนั้นตามคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งของแต่ละชนิดพริกแกงก็เผ็ดกะทิก็มันมะเขือก็ขืน โหระพาก็มีกลิ่นเนื้อไก่ก็เป็นอย่างนั้นพริกอ่อนก็เผ็ดฟังแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความหิวขึ้นมาได้แต่ถ้ารวมกันแล้วกลายเป็นแกงเขียวหวานไก่กลับทําให้เกิดอยากทานได้เหมือนกันเพราะสัญญาที่รับรู้มามันปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกพอใจเพราะชอบทานแกงเขียวหวานไก่นั่นเองแต่จะเข้าใจได้หรือไม่ว่าแกงเขียวหวานไก่มันไม่ได้มีอยู่จริง มันเป็นการรวมการของวัตถุปัจจัยทั้งหลายแล้วปรุงแต่งไปจนกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วสมมุติให้มันชื่อนี้ระบบได้แยกแยะให้ฟังว่ามนุษย์ชอบติดอยู่กับสมมุติภาษาสมมุติว่าอะไรก็จะจดจาแล้วก็มีความสุขความทุกข์กับสมมตินั้นอย่างแยกไม่ออกดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าแกงเขียวหวานไก่เป็นการสมมติขึ้นเพราะเหตุใด แกงเขียวหวานไก่มีวัตถุดิบอะไรบ้างให้บอกมาเนื้อไก่เมื่อเขือพริกแกงเขียวหวานกะทิพริกอ่อนใบโหระพาทุกอย่างใส่แยกไว้คนลจา์ดูนะนี่อะไรนี่เนื้อไก่นี่อะไรกะทินี่อะไรเมื่อเขือนี่อะไรพริกอ่อนจากนั้นตั้งไฟและเอาทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อ ตามขั้นตอนวิธีการปรุงใส่เครื่องปรุงส่วนผสมเช่นน้ำปลาน้ำตาลซากพักหนึ่งก็ยกลงจากเตาไฟเปิดหม้อออกมากลิ่นหอมฉุยสีสันสวยงามถามว่านี่อะไรแกงเขียวหวานไก่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่อะไรแกงเขียวหวานไก่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่ไม่มีนี่อะไรเอาใหม่นะ แยกๆทุกอย่างออกมาแล้วมาดูกันใหม่นี่อะไรพริกแกงนี่อะไรกะทินี่อะไรเนื้อไก่ดูนะเอาทั้งหมดใส่หม้อรวมกันตั้งไฟเสร็จแล้วยกลงนี่อะไรแกงเขียวหวานไก่ไม่ใช่แกงเขียวหวานไก่มีที่ไหนนี่พริกแกงนี่มะเขือนี่กะทินี่พริกอ่อนนี่เนื้อไก่นี่ใบโหระพา แล้วไหนล่ะแกงเขียวหวานไก่ชี้ไปตรงไหนก็ปะทะมะเขือชี้ไปตรงไหนก็ปะทะเนื้อไก่ชี้ไปตรงไหนก็ปะทะกะทิชี้ไปตรงไหนก็ปะทะพริกแกงไม่เห็นมีแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่ไม่มีจริงแกงเขียวหวานไก่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งสมมติขึ้นเดี๋ยวนี้เองเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีแกงเขียวหวานไก่เลยมีแต่สิ่งที่นามาปรุงแต่งรวมกัน ผสานกับความร้อนจนเกิดการแปลสภาพจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วสมมุติให้มันชื่อแกงเขียวหวานไก่เท่านั้นเองมีวัตถุดิบต่างๆมารวมกันมีความร้อนจนเกิดการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเป็นการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยจนเกิดเป็นแกงเขียวหวานไก่ขึ้นมาโดยความเป็นตัวตนของแกงเขียวหวานไก่ไม่มีจริงไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่การสมมุติตามลักษณะอย่างนี้ รสชาติอย่างนี้สมมติให้ชื่อแบบนี้อยู่ที่ใครเป็นคนที่สมมติให้ชื่อนี้เป็นคนแรกจากนั้นคน ต, ต่อมาก็จดจำบันทึกเอาไว้แล้วก็สุขทุกข์กับแกงเขียวหวานไก่ได้เหมือนกันคนที่ชอบได้ยินก็พอใจเป็นสุขคนไม่ชอบได้ยินก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่คือการปรุงแต่งขึ้นมาเห็นเห็นและสมมติให้มันเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ ท, ทั้งท่านที่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่ทีแรกมีเพียงคนในภูมิภาคนั้นๆในประเทศนั้นๆในความเข้าใจของภาษานั้นๆรับรู้ในสมมติเดียวกันจึงบันทึกไว้เหมือนกันและมีความพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่สมมุตินั้นเหมือนกันแต่ถ้าคนประเทศอื่นเข้ามาเห็นเขาก็ไม่มีสุขมีทุกข์กับแกงเขียวหวานไก่เพราะเขาไม่เคยบันทึกไวเขาก็ไม่รับรู้ ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจเพราะไม่เข้าใจไม่รู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงนั่นเองแกงเขียวหวานไก่จึงไม่มีอิทธิพลกับคนเหล่านั้นนี่คือสมมติถ้าสมมติให้สิ่งไหนเรียกอะไรทางาที่มันไม่ได้มีอยู่จริงตามนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองตามธรรมชาติสิ่งนี้รวมกับสิ่งนี้รวมกับสิ่งนี้และมีกระบวนการปรุงแต่ง ก็เลยออกมาเป็นรูปแบบเช่นนี้แล้วแต่ใครจะเรียกมันว่าเป็นอะไรจะสมมุติมันเป็นชื่อแบบไหนแกงเขียวหวานไก่แกงเผ็ดไก่ผัดพริกไก่มันก็ยังคงเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกมันว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่มารวมกันแล้วออกมาเป็นอย่างนั้นนั่นเองแป้งกับน้าผสมกันปั้นเป็นก้อนเล็กๆน้าตาลกะทิน้ารวมกัน ใช้กระบวนการความร้อนก็กลายเป็นขนมบัวลอยขนมบัวลอยมาจากไหนขนมบัวลอยเพิ่งเกิดมาใหม่หลังจากนำสิ่งทั้งหลายมาปรุงแต่งรวมกันแล้วสมมุติว่าหน้าตาอย่างนั้นควรชื่อบัวลอยก็คงไม่ต่างไปจากธรรมะที่ได้เคยอ่านมาได้เปรียบเทียบไว้ว่ารถยนต์ไม่ได้มีจริงเป็นโดยสมมุติว่าสิ่งที่วิ่งได้นี้เรียกว่ารถยนต์ แต่ถ้าแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีรถยนต์อยู่เลยรถยนต์เป็นการสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันเป็นการนําเอาสิ่งสมมุติต่างๆมารวมกันประกอบกันและเรียกสิ่งนั้นว่ารถยนต์เมื่อแยกออกก็ไม่มีรถยนต์ชี้ไปที่สิ่งใดก็เป็นประตูเป็นตัวถังเป็นเครื่องยนต์เป็นพวงมาลัยเป็นกระจกเป็นหม้อน้ําเป็นแบตเตอรี่เป็นท่อไอเสีย และส่วนไหนที่เรียกว่ารถยนต์ไม่มีรถยนต์มีแต่การประกอบกันของสิ่งต่างๆรวมกันเข้าไว้แล้วก็มีกระบวนการขับเคลื่อนได้จึงสมมุติให้ชื่อว่ารถยนต์รถยนต์จึงไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นการสมมุติใดๆก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เพราะธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าใครจะเรียกอะไรอยู่กับสมมติแต่อย่าไปยึดติดในสมมติ เพราจะทำให้เราสุขเราทุกข์กับสิ่งสมมุตินั้นเช่นถ้ามีใครเอ่ยคําว่าโง่ออกมาแล้วมองหน้าเราเราจะตีความหมายทันทีตามที่เขาบันทึกไว้ตามความหมายของคําว่าโง่แสดงว่าเขาว่าเราหาว่าเราไม่ฉลาดเราไม่ทันคนเราพูดไม่รู้เรื่องคําว่าโง่คําเดียวเราแปลความหมายไปได้ตั้งมากมายแล้วก็นําไปทุกข์เสียหลายวัน ความจริงแล้วเพราะเราเข้าใจภาษาเข้าใจว่าแปลว่าอะไรจรึงนำความหมายนั้นมาทาบกับตัวเราถ้าไปว่าคนฝรั่งโง่เขาอาจจะยิ้มให้เพราะเขาไม่เข้าใจความหมายนั่นเองแต่จริงๆแล้วใครจะคิดอย่างไรใครจะเข้าใจอย่างไรเราก็ยังเป็นของเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นกับอะไรอยู่ที่ว่าใครจะมองมุมไหนเท่านั้นคนที่จบปริญญาเอกก็อาจคิดว่าคนจบปริญญาตรีโง่กว่า คนจบปริญญาตรีก็อาจคิดว่าคนจบมัธยมโง่กว่าคนจบมัธยมก็อาจคิดว่าคนจบป .4 โง่กว่าคนจบป .4 ก็อาจคิดว่าคนไม่ได้เรียนหนังสือโง่กว่าอ่านไม่ออกซึ่งจริงๆแล้วคําว่าโงา่ไม่ได้มีอยู่จริงในธรรมชาติอยู่ที่ว่าใครจะสมมติให้คนๆนั้นเป็นจากมุมมองไหนเท่านั้นจึงไม่ควรไปร้อนรนกระวนกระวายเสียอกเสียใจที่เขาว่าเราโง่ เพราะนั่นเป็นมุมมองของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราที่เป็นอยู่หากเขาจะทุกข์เพราะคิดว่าเราโง่เขาก็ต้องทุกข์เองแล้วก็ต้องดับทุกข์เอาเองคาว่าเก่งฉลาดก็ไม่มีจริงเด็กหัดพูดเรียกพ่อแม่ได้ก็เก่งก็ฉลาดแล้วเด็กเข้าอนุบาลร้องเพลงได้บวกเลขได้ก็เก่งก็ฉลาดแล้วแล้วจะไปยึดอะไรกับคำสมมุติเหล่านั้น คนที่คนทั่วไปเห็นว่าดีแต่คนที่มีอคติก็ย่อมมีมุมมองแตกต่างออกไปว่าเลวว่าไม่ดีหรือคนที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ดีแต่ก็จะมีคนที่นิยมยกย่องอีกมากมายอยู่ที่ว่าใครจะมองมุมไหนใครจะชื่นชอบอย่างไรแต่คนคนนั้นก็จะเป็นคนคนนั้นอยู่นั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดอย่างไรถ้าเข้าใจเขาจะสมมุติให้เราเป็นอะไรก็ให้สมมติไปเถอะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยแค่คําพูดแค่ภาษาเขามองเราจากมุมไหนเขาก็ย่มคิดไปในมุมนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอย่างนั้นตามที่เขามองเพราะแม้แต่ขันห้าที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ก็ยังเป็นสมมุติอยู่ดียังต้องเพียรละเพียนวางเพียนพิจารณาให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงการรวมของดินน้ำลมไฟปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยจนคล้ายกับมีตัวตนของตนขึ้นมาสิ่งนี้ควรให้ความสำคัญและหมั่นพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงเสียทีถ้าอยู่เหนือสมมุติได้สิ่งทั้งหลายก็จะเป็นความว่างในทันทีเพื่อหลุดพ้นจากโลกสมมุติใบนี้นั่นเอง ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนชุดที่สเวลาสิ่งล้ำค่าที่มองไม่เห็นคนเราอาจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมีทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เท่าเทียมกันมีความรู้ความสามารถมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละวันไม่เท่าเทียมกันในแต่ละบุคคล เพราะความไม่เท่าเทียมนี้จึงมีความเห็นผิดคิดว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราหรือเราเสมอกับเขาซึ่งเป็นความเห็นผิดที่ได้นำไปเปรียบเทียบจึงเกิดมีมา n ะมีอัตตาตัวตนขึ้นมาโดยความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามความหวังความต้องการของใครแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาเมื่อไม่เข้าใจความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งก็ย่อมเห็นผิด คิดเปรียบเทียบนั่นเองทุกสรรพสิ่งมีเหตุและผลมีกรรมวิบากกรรมเป็นตัวกําหนดไม่มีใครอยากเกิดมาพิการไม่มีใครอยากเกิดมาอดอยากยากแค้นไม่มีใครอยากจะเกิดมาอาภัพเป็นเด็กกําพร้าถูกด่าว่าทุกตีหรือมีแต่โรคภัยข้าเจ็บเบียดเบียนถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากจะเกิดมาสุขสบาย ร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนยกย่องสรรเสริญกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราจึงเกิดมาไม่เท่าเทียมกันนั่นก็เพราะเหตุปัจจัยที่สะสมไว้ส่งผลมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เท่ากันแม้จะไม่ต้องการให้เป็นนั่นก็คือเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละวินาที ไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาจะผ่านไปแต่ละวินาทีเท่ากันวินาทีนั้นจะสนุกสนานวินาทีนั้นจะโศกเศร้าเสียใจวินาทีนั้นจะมีความสงบภายในเวลาก็ผ่านไปเท่ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังคนที่กำลังสนุกสนานคนที่กำลังมีความสุขก็บ่นว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน คนที่กำลังรอคอยด้วยความหวังหรือกำลังเผชิญทุกท้อทรมานก็บ่นว่าเวลาช่างผ่านไปช้าเหลือเกินเวลาเท่ากันแต่อุปทานแตกต่างคนที่มีความสุขอยากให้เวลาเดินช้าๆ้าไม่อยากให้ถึงเวลาต้องจากสิ่งที่พอใจคนที่มีความทุกข์คนที่รอคอยอะไรต่อไม่อะไรก็อยากให้เวลาเดินไวๆจะได้ถึงเวลาที่จะได้พบกับสิ่งที่ตนต้องการเสียที เวลาเท่ากันในหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีไม่มีลำเอียงถ้าเวลามีความคิดความรู้สึกได้คงจะระอาใจกับมนุษย์ทั้งหลายที่กวนดา่าไวก็ว่าช้าก็บน่นความไวความช้าอยู่ที่เวลาจริงหรือความไวความช้ามันอยู่ที่ว่าใครต้องการอะไรต่างหากถ้าทำงานแล้วเบื่อหน่ายก็อยากให้เวลาเดินไว จะได้กลับเสียทีคราวนี้ก็รอเวลาเวลาเดินชาเลือเกินกำลังเที่ยวอย่างสนุกสนานก็บ่นว่าเวลาผ่านไปไวเลือเกินต้องกลับเสียแล้วพอใจเช้าก็บ่นว่าเวลาเดินไวต้องไปทำงานอีกแล้วแต่และ ว, วินาทีเวลาผ่านไปเท่ากันมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ละขณะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกใครเมื่อมีไอน้ําในอากาศมากก็ต้องมีฝนตกเป็นธรรมดาฝนตกชาวไร่ชาวนาก็ดีใจคนค้าขายก็พร่ำบน่นเพราะขายของไม่ได้ฝนไม่ตกคนค้าขายก็ดีใจชาวนาชาวไร่ก็พร่ำบ่นว่าพืชผลเสียหายฝนไม่ตกมาเลยยิ่งเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพ ฝนตกทีไรความทุกข์ก็มากมายทั่วเมืองนั่นเพราะฝนตกทีไรไปทำงานลำบากรถติดมากมายขายของไม่ได้น้ำท่วมถนนหรือแดดร้อนทั้งวันคนทำงานในออฟฟิศก็ยินดีคนทำงานกลางแย้งก็ไม่พอใจเพราะต้องทำงานไปท่ามกลางความร้อนระอุ ข, ของแสงแดดที่แผดเผาหมานั่นเองแต่คนที่ต้องการแสงแดดก็พอใจสบายใจที่แดดออกทั้งวัน ซักผ้าแล้วแห้งได้ไวดังที่จ่ายต้องการทุกอย่างเกิดตามเหตุปัจจัยที่มาผสมผสานกันอย่างพอเหมาะพอสมของธรรมชาติแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันย่อมหลีกเลี่ยงในการที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่ได้เลยสภาวะอารมณ์ต้องแปลเปลี่ยนขึ้นลงกับสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลาเรียกว่า ความทุกข์มันเรียกหาทุกเวลานาทีนั่นเองเพราะความเข้าใจผิดไม่เข้าใจในความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งในการตัณหาคืออยากได้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ภาวะตัณหาคือการอยากมีอยากเป็นอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอย่างนี้เลย ที่ในสภาวะขณะนั้นมันต้องได้ต้องมีต้องเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ไม่เห็นตามสภาวะที่มันเป็นไม่พอใจอยากเปลี่ยนให้มันเป็นไปดังที่ต้องการนั่นคืออยากไปเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่เป็นไปดังที่ใครๆต้องการสิ่งที่เราอยากได้ก็กลับไม่ได้สิ่งที่เราอยากให้มีก็กลับไม่มี สิ่งที่เราอยากให้เป็นก็กลับไม่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นก็กลับมาเป็นเมื่อมันไม่เป็นไปดังต้องการเราก็เลยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เล็กหรือว่าทุกข์ใหญ่ๆก็ไม่มีใครต้องการทั้งนั้นแม้กระทั่งพายุไซโคลนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดที่ฆ่าชีวิตคนมากมายอยู่ในานานาประเทศในขณะ น, นี้บ้านเรือนเสียหายผู้คนล้มตายแม้จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่เพราะไม่ได้มีใครไปบังคับบัญชากับธรรมชาติได้มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่ผสมผสานกันในขณะนั้นนั้นแม้ไม่ได้มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ความต้องการทั้งหลายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเหตุปัจจัยของธรรมชาติได้เลยลมที่ก่อตัวเป็นพายุใหญ่พัดถล่มสหรัฐอเมริกาอย่างมากมายนั้นมันก่อตัวขึ้นมามากมายนับเป็นร้อยๆยลูกมีใครไปห้ามได้ไหมมีใครอยากให้เกิดไหม ไม่มีใครอยากให้เป็นแต่มันก็ต้องเป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นๆและประเทศที่ยิ่งใหญ่มากมายในทางโลกอย่างสหรัฐต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังสู้กับธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีหรือต่อให้ประเทศใดๆก็ตามก็ไปห้ามปราบธรรมชาติไม่ได้ยกเว้นเตือนกันไปหลบลีกหนีภัยได้เท่าไหรเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด และธรรมชาติก็ไม่เคยทําตามความหวังตามความต้องการของใครๆเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองในขณะหนึ่งของธรรมชาติในหนึ่งนาทีนี้ที่ธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นก็สามารถทําให้คนส่วนหนึ่งสุขคนส่วนหนึ่งทุกข์คนส่วนหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เพราะความหลากหลายของความต้องการแล้วได้ดังใจหรือไม่ได้ดังที่ใจต้องการจึงสุขจึงทุกข์กันไป ทั้งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในขณะนั้นได้ก็ตามดังนั้นในช่วงเวลานั้นๆเวลาก็ผ่านไปเท่ากันคนที่พอใจฝนในนาทีนั้นเวลาก็ผ่านไปด้วยความสุขใจคนที่ไม่พอใจร้อนรนในใจเวลาก็ผ่านไปหนึ่งนาทีเท่ากันคนที่ไม่สุขไม่ทุกข์กับฝนนั้นก็เพราะรู้และเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติแล้วสงบได้ ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีเท่ากันเวลาที่ผ่านไปเท่ากันแต่ความเห็นความต้องการและอุปทานแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แต่ละคนมีดังนั้นการที่เรามีจิตขึ้นลงตลอดเวลาสุขทุกตลอดเวลาพอใจไม่พอใจตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตประจำวันและเราเยึดมาในทุกๆเรื่อง แล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้วมันไม่เป็นดังหวังเราอยากให้ได้แล้วมันไม่ได้ดังหวังหรือเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วมันกลับเป็นอย่างที่ไม่ต้องการเราก็จะทุกข์เพราะอยากบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ดังต้องการเวลาหนึ่งนาทีที่อีกคนมีความสุขอีกคนมีความทุกข์ อีกคนมีความสงบท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายเท่ากันในหนึ่งนาทีแต่ว่าสิ่งที่มีที่เป็นแต่ละท่านมีในภาวะจิตขณะนั้นไม่เท่าเทียมกันเวลาสมมติเวลานี้ที่ไม่เคยลำเอียงเข้าข้างใครอยากให้เวลาเดินช้ า, ชาอยากให้เวลาผ่านไปเร็ ว, รวหรือไม่เคยสนใจว่าเวลาจะผ่านไปช้าเร็วเท่าไหร่เพราะเห็นความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลานั้น ขณะที่ผ่านไปก็เท่ากันในหนึ่งนาทีนี่คือความยุติธรรมของธรรมชาตินี่คือความเท่าเทียมกันที่ธรรมชาติมีให้กับทุกสรรพสิ่งใครที่น้อยใจว่าเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกับคนอื่นนั้นทําไมคนนั้นมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมากมายทําไมคนนั้นมีอํานาจวาสนาใหญ่โตทําไมคนนั้นมีธรุรกิจมากมายทําไมคนนั้นมีชื่อเสียงและมองอีกด้าน ทำไมคนนั้นลำบากยากจนทำไมคนนั้นต้องหาเลี้ยงตนอย่างค้นแค้นทำไมคนนั้นพิกลพิการกำพร้าหน้าเวทนายิ่งนักและทำไมคนนั้นความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำงานไปวันวันมีเงินไม่มากมายแต่ทำไมดูเหมือนเขามีความสุขได้แค่ในสิ่งที่เขามีสุขทุกข์วัดกันที่อะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญ หนึหนาทีที่คุณมีนั่นแหละสาคัญที่สุดแล้วหนึ่งนาทีที่คุณมีโอกาสเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือจะปล่อยวางขันห้าที่มีอวิชชาเป็นตัวนำและเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคุณเลือกได้ที่จะเป็นหนึ่งนาทีของคนมีเงินพันล้านแล้วนอนรอความตายสมบัติทั้งหลายจะมีความหมายอะไรแค่เอามาแลกกับเวลาที่ยังเหลือน้อยนิด ให้ยาวออกไปได้สักวันสักเดือนสักปีเท่านี้ก็พอใจแล้วทรัพย์สินทั้งหลายย่อมไม่มีค่าแค่มีเวลาเพิ่มอีกสิกนิดให้กับชีวิตเท่านั้นแล้วเราละ่ะทิ้งขว้างเวลากันทุกนาทีด้วยความคิดที่ว่ายังมีเวลาเหลือเฟือความประมาทนี้มีอยู่ในเราเราท่านท่านทุกคนแต่ความประมาทนี้ไม่มีอยู่ในผู้รู้ผู้ฝึกตนดีแล้ว จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่ส4พัตเทกรัตสูตรข้อที่หยิบบอกว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปสิ่งใดยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นเป็นอันยังมาไม่ถึงบุคคลจึงควรเห็นแจ้งในธรรมะปัจจุบันอันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลน พึงจเจริญธรรมนั้ น, นเนืองๆให้ปลุกป่งเิดพึงทำความเพียรให้ได้ในวันนี้แหละเพราะใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ได้การผัดเพี้ยนกับความตายย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายหนึ่งนาทีของท่านจะสำคัญที่สุดถ้าหนึ่งนาทีนั้นได้พบพระธรรมมีโอกาสได้เห็นสัจธรรมนั่นสำคัญที่สุด สำคัญมากกว่าชีวิตที่ยังเวียนไหว้ตายเกิดด้วยความไม่รู้มากมายนักเหมือนคํากล่าวทางธรรมที่ว่าคนเกิดมาร้อยปีแล้วไม่พบธรรมะถือว่าเกิดมาชาตินั้นเป็นโมฆะบุรุษคือไม่เห็นสัจธรรมยังคงเวียนไหว้ตายเกิดไปอย่างไม่มีทิศทางสู้คนที่เกิดมาวันเดียวแล้วพบธรรมะพบสัจธรรมยังไม่ได้เลยนั่นคือต่อให้มีเวลายาวนานแค่ไหน ถ้าไม่เห็นทางไปถูกตรงก็ถือว่าเสียเวลาไปอย่างน่าเสียดายที่สุดในการมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แต่วันเดียวนี้ถ้าที่มีโอกาสรู้ได้มีโอกาสเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วเห็นกฎไตรลักษณ์แล้วเขาก็จะมีแนวทางของการปฏิบัติแต่ละนาทีที่ผ่านไปเขาได้เห็นสัจธรรมและการยึดมั่นถือมั่นทีละน้อยทีละน้อย แม้เวลาที่มีแค่วันเดียวนี้เมื่อเข้าใจพบชาติใหม่ที่ต้องเกิดมาก็จะละอวิชชาตันหาอุปทานต่อเนื่องไปจากชาติที่ผ่านมาเรียกว่าการบันทึกมุ่งไปในแนวทางใดธาตุรู้ก็จะบันทึกไว้และส่งต่อไปในแนวทางนั้นก็จะลดละเลิกปล่อยวางเห็นความว่างจากความเป็นตัวตนของตนก็จะเพียรปฏิบัติตามฐานความเห็นถูกตรงต่อไปเรื่อย เรียกว่าเกิดมาเพื่อปฏิบัติต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะเกิดปัญญาเห็นธรรมหรือเห็นธรรมชาติตามจริงจนได้หลุดพ้นจากความเห็นผิดยึดติดในตัวตนได้ในชาติใดาชาติหนึ่งนั่นเองเวลาของอดีต ท, ที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วจะกลับย้อนไปเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เวลาที่คาดหวังในอนาคตยังไม่มาถึงจะไปคาดหวังจะไปคิดล่วงหน้า ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะยังไปไม่ถึงเวลาที่ท่านมีแม้เพียงเสี้ยววินาทีในปัจจุบันนั่นแหละสำคัญที่สุดโลกว่างเปล่าพระ อ, อ น, นุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่เรียกว่าโลกว่างเปล่านั้นเป็นเช่นไรพระองค์ตรัสว่าอายตนะวิญญาณผัสสะและเวทนาเป็นของว่างเปล่า เพราะว่างจากตนจากความเป็นของของตนจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับเยาวชนเล่มที่หอ้างจากสุญญสูตรเล่ม18ข้อ1 0 4 1งสมถึงสมุติคำสั้นๆั้นแต่ไม่รู้เท่าทันกันเสิยทีโลกว่างเปล่าเพราะเป็นธรรมชาติเป็นของว่างและว่างจากการเป็นตัวใครของใครแต่เพราะความมีอวิชชา คือความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวตนจึงได้ยึดเอาดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นมาว่านี่เป็นตัวตนของตนเป็นจริงเป็นจังเป็นเราเป็นเขาทั้งทั้งที่โดยแท้แล้วทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นการประกอบกันตามเหตุปัจจัยเป็นการรวมกันของดินน้ำลมไฟโลกนี้จึงว่างอยู่โดยความเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีการแบ่งแยกใดๆแต่เมื่อเห็นผิด คิดว่ามีตัวตนจตึงยึดเอาก้อนดินน้ำลมไฟที่รวมกันตามเหตุปัจจัยแล้วยึดครองได้นี้สมมุติว่าเป็นตัวเราแล้วก้อนอวิชาก้อนอื่นๆรายรอบนั้นสมมุติให้เป็นตัวเขาแล้วสมมติอื่นๆก็ตามมาเหตุเกิดเพราะอวิชาความไม่รู้จริงเห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามีนั่นเองโลกยังอยู่โดยสมมติสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขาวันนี้เราจึงควรมาเรียนรู้สมมุติกันสังนิดเพราะยังยึดติดอยู่ในสมมุติกันมากเหลือเกินสมมุติว่ามีเรามาเล่าเรื่องสมมุติกันธรรมชาติมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยกทุกสรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติคงสภาพความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติด้วยความที่มันเป็นเช่นนั้นเอง ธรรมชาติแท้มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีแบ่งแยกไม่ว่าใครจะเรียกสิ่งนั้นนั้นว่าอะไรแต่สิ่งนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองไม่ขึ้นกับสมมติบัญญัติแต่อย่างใดธรรมชาติมีหนึ่งเดียวคือสภาพของธรรมชาติที่รวมกันอยู่ณขณะหนึ่งหนึ่งมันเป็นสภาพโดยธรรมชาติในขณะนั้นๆไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีหนักไม่มีเบาไม่มียาวไม่มีสั้น ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวก้อนหินหนึ่งก้อนเขาก็เป็นก้อนหินวางอยู่อย่างนั้นเมื่อมีหินอีกหนึ่งก้อนมาวางข้างกันต่างก็เป็นก้อนหินอย่างนั้นแต่เมื่อแม่ใช้ให้ไปหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งลูกวิ่งออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหยิบก้อนหินก้อนไหนแม่ก็บอกว่าหยิบหินก้อนเล็กมาเมื่อนั้นสมมติใหม่ก็เกิดเพิ่มขึ้นมา ก้อนหินก้อนนั้นมันจะถูกเปรียบเทียบโดยสมมติทันทีมันจะกลายเป็นเล็กไปโดยปริยายและสมมุติของมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหยิบก้อนเล็กมาวางอีกที่หนึ่งมันมีก้อนเดียวมันก็เป็นก้อนหินที่มีสมมุติเดียวคือชื่อว่าก้อนหินแต่ถ้ามีอีกก้อนมาวางแล้วเล็กกว่าหินก้อนนี้ก็จะมีสมมติเพิ่มขึ้นมาใหม่ทันทีว่าก้อนหินก้อนใหญ่ เป็นหินก้อนใหญ่เพราะมีก้อนเล็กก้อนใหม่มาให้เปรียบเทียบตัวก้อนหินก็ไม่ได้อยากเป็นก้อนใหญ่หรือว่าก้อนเล็กแต่เพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ที่ใครจะสมมุติให้ว่ามันเป็นอะไรลองคิดดูว่าหินก้อนนี้มีสมมติภาษาสซ้อนๆกันอีกสักเท่าไหสมมุติแรกมันเป็นสมมติของธรรมชาติดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นลักษณะรูปแบบอย่างนั้นเอง ไไไมไม่่ด้ีชืออะรสมมุติที่สองใครพบเห็นแล้วตั้งชื่อให้ว่าเป็นก้อนหินสมมุติที่สามหินก้อนนี้มีลักษณะเท่านี้แต่มันมีสมมุติให้เล็กให้ใหญ่ให้กลางได้เนือเมืม่อสิ่งอื่นใดมาเปรียบเทียบสมมติที่สหากหินก้อนนี้มีการค้นพบว่าเป็นหินควอตมันก็จะมีชื่อว่าควอตตา ม, มาสมมติที่ห้าคนมาหาบอกว่ามันสวยกว่าอีกก้อน หินก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นหินสวยงามไปสมมุติที่6หินควอตถ้าหากรู้ว่ามีคุณสมบัติรับพลังงานได้รักษาคนได้มันก็จะเป็นหินรักษาทันทีดินน้ำลมไฟจับตัวกันธรรมชาติเป็นก้อนลักษณะแข็งตามสมมติเรียกว่าก้อนหินสมมุติลักษณะโดยรวมชื่อหินควอตก้อนขนาดเล็กมีความสวยงามใช้รับพลัง จากหินก้อนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจจะกลายเป็นหินที่มีความหมายไปในทันทีก้อนหินก็จะรุงรังด้วยมีสมมุติตามเกาะมันมากมายแล้วคนทั่วไปก็แย่งขวายคว้าหามันในทันทีจากว่ากลายเป็นวุ่นจากเบาสบายกลายเป็นรุงรังด้วยสมมุติมากมายที่มนุษย์ตั้งให้และหินก้อนนี้ต้องแบกไปด้วยแต่ว่าตัวของก้อนหินมันอาจจะไม่ได้รู้ว่าใครๆเอาอะไรมาใส่ให้มัน เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นมันอยู่อย่างอิสระมันก็ไม่ได้ติดในสมมุติอะไรจะอีกอี่สมมติที่ทับซ้อนกันเข้าไปหินก้อนนี้ก็ยังคงความเป็นสภาวะของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นคนที่สมมติมันต่างหากที่อาจสุขอาจทุกข์อาจพอใจอาจไม่พอใจไปกับก้อนหินก้อนนี้ไม่เป็นทวิณิยมอุณหภูมิของน้ํามีแต่ร้อนมากหรือร้อนน้อย ไม่มีร้อนหรือเย็นธรรมชาติแท้จริงไม่เป็นทวินิยมนี่เป็นกฎธรรมชาติการแก้ปัญหาของมนุษย์ต้องไม่มีฝ่ายใดถูกผิดดีชั่วแพ้ชนะแต่ด้วยการปรองรองในทางสายกลางด้วยความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจึงจะถูกตรงกับกฎของธรรมชาติแล้วจะแก้ปัญหาได้ ต้นไม้กี่ต้นกี่ต้นที่ขึ้นมามันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีคุณสมบัติแต่ละอย่างแตกต่างกันไปให้ผลให้ดอกแตกต่างกันไปมันก็ไม่ได้รู้ว่ามันชื่ออะไรและแต่ใครจะเรียกมันว่าต้นอะไรผลอะไรมันก็ไม่ได้ไปรุงรังไปกับสมมติที่ไปตั้งให้มันและทำไมเราก็อยู่ในโลกสมมุติเช่นกันยังรุงรังไปด้วยสมมติมากมายที่ใครๆเขาตั้งให้ เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นอาเป็นนักเรียนเป็นอาจารย์เป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นคนสวยเป็นคนไม่สวยสมมุติใดๆถ้าเข้าใจก็จะไม่ติดในสมมุตินั้นๆทำหน้าที่ทุกอย่างได้อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อไปตามความเหมาะสมเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องก็ทำหน้าที่ไปตามความเหมาะสม เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องหรือจะเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ทำหน้าที่ตามที่ได้เกิดมาในสมมตินั้นอย่างเหมาะสมธรรมะคือหน้าที่นี่เป็นเรื่องถูกต้องทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นสมมุติแต่ก็ยังยึดติดในสมมติยังทุกยังห่วงหาอาทรกับสมมตินั้นไม่เพียงเร่งทาความเข้าใจทุกทรมานมากมายเมื่อหมดเวลา เพราะต้องตายจากชาตินี้ไปคืนดินน้ำลมไฟสู่ธรรมชาติก็จะต้องไปสมมติใหม่ไปมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกเมียในชาติถัดๆไปกันอีกก็ยึดกันไปสมมติกันใหม่ทุกสุขกันใหม่ในพบชาติต่อๆไปทั้งสิน้นครอบครัวใหม่ๆกับพบชาติใหม่ๆที่ต่อเนื่องยาวนานกันมาแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วทุกข์กับเรื่องสมมติกันมาเท่าไหร่ ถ้าเข้าใจให้ตรงกับความเป็นจริงทุกจากสมมุติก็หลอกกินเราไม่ได้เพราะความเข้าใจและรู้เท่าทันนั่นเองอย่างเช่นคนที่ยึดติดรูปลักษ์ความสวยความงามความหล่อของร่างกายอยู่กับสมมติได้แต่ต้องเข้าใจสมมุติให้ถูกตรงถ้ายืนคนเดียวเราก็เป็นอย่างนี้แหละสบายๆแต่ถ้ามีคนใหม่มายืนข้างๆคนเดินผ่านมาซุบซิบว่าเราหน้าตาดีกว่าอีกคน ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขเพราะว่าเราสวยกว่าหล่อกว่าแต่พอคนนี้เดินไปคนหมายเดินมายืนข้างๆรูปร่างสวยงามคนเดินผ่านมาแล้วซุบซิบกันว่าคนนั้นสวยจังตอนนี้เราก็กลายเป็นไม่สวยไปแล้วในตอนนี้เมื่อมีของสองสิ่งคู่กันเมื่อนั้นย่อมต้องมีการเปรียบเทียบแล้วก็ต้องสมมุติสิ่งหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบกันสวยไม่สวยหลอ่อไม่หลอ่อ หนุ่มกว่าแกกว่าเด็กกว่าก็ไม่ได้มีจริงมันเป็นสมมุติเพื่อเปรียบเทียบนั่นเองหน้าตาอย่างนี้ก็คือหน้าตาอย่างนี้แหละใครจะเรียกอะไรก็ตามทีถ้ายังขึ้นลงไปกับสมมุติภาษาที่เรียกขานกันว่าอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนี้แล้วจะรุงรังมากมายจะทุกข์อีกเท่าไหร่หากต้องเร่งขนไขถ่ะเกียดกายเพื่อให้สวยให้หล่อได้ตามที่ใครๆสมมตินั้นซึ่งแม้แต่ทางธรรมะ ก็ยังไม่ให้เปรียบเทียบเลยว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราหรือเราเสมอเขาเพราะการเปรียบเทียบก็ย่อมต้องมีสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันจึงต้องมีดีกว่าสวยกว่าหล่อกว่าใยญ่กว่าขาวกว่าหนักกว่าแล้วแต่จะเปรียบเทียบกับอะไรซึ่งความจริงทุกสิ่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นๆแหละแล้วแต่ใครจะสมมติให้มันเป็นอะไร สมมุติให้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นชื่อนั้นเป็นชื่อนี้ทั้งทั้งที่ธรรมะก็บอกอยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งสิ้นยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวตนเลยแล้วนับภษาอะไร กับสมมติมากมายที่ใครต่อใครตั้งให้มันจะเป็นของตนแน่หรือควรหรือที่จะไปยึดมั่นถือมั่นกับสมมุตินั้นๆที่ตั้งกันขึ้นมายังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลจะต้องแบกสมมติมากมายไปด้วยมันจะเดินไหวไหมเพราะโลกนี้เป็นของว่างว่างโดยสมมุติอยู่แล้วหากยังไม่พ้นจากอวิชชาคือเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวตนแล้วนั้นก็ยังคงต้องอยู่กับโลกสมมุติกันร่ําไป เหมือนเราเองก็ไม่ได้อยากจะแก่ไม่ได้อยากจะอายุมากแต่เพราะบังคับบัญชาไม่ได้มันก็เลยร่วมรวยไปตามวันเวลาจนถึงขณะนี้ถ้าหากว่ามีอายุส0สปีคนอายุน้อยกว่ามหาก็เรียกว่าเราพี่คนอายุมากกว่ามหาก็เรียกว่าเราน้องถ้าเด็กมหาก็เรียกว่าน้าว่าอาว่าป้าว่าเจว่าอะไรต่อมีอะไรไปตามเรื่องแล้วแต่จะสมมติเรียกว่าอะไร เราเกิดมาก็มากโดยสมมุติมากมายชื่อนามสกุลพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่าพอจากกันไปแต่และคนก็แยกย้ายไปสมมติกันใหม่ในภพภูมิถัดไปเราจึงมีพ่อมีแม่พี่น้องลูกเมียเพื่อนพ้องกันมาเป็นแสนแสนชาติแล้วก็สมมุติกันมาอย่างนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันเราก็จะมีสมมุติสะสมมากขึ้นเรื่อย สมมติทั้งหลายก็ไม่ได้เลือกที่จะมีที่จะเป็นแต่มันเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ได้อยากเป็นป้ามันดูแก่มากเลยแต่ว่าน้องสาวแต่งงานแล้วมีลูกลูกก็เรียกเราว่าป้าฉันเพิ่งสาสิบยังสวยพริง้งจะให้ฉันเป็นป้าได้อย่างไงนั่นแหละตัวตนจึงเกิดขึ้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นเพราะความไม่อยากเป็นนั่นเองแต่ก็ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้ เพราะมีน้องและน้องมีลูกเราจึงต้องเป็นป้าตามภาษาสมมติจะขอลาออกจากการเป็นป้าก็ไม่ได้เพราะเขาสมมติลำดับขั้นการนับญาติเช่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นตันหาจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์การตันหาอยากได้ภาวะตันหาอยากมีอยากเป็นและวิภวะตันหาไม่อยากมีไม่อยากเป็น เพราะไม่อยากเป็นป้าเลยต้องทุกไปตามระเบียบนี่คือสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อความเข้าใจในหมู่คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นจะได้เข้าใจตรงกันเราต้องอยู่กับสมมุติทุกวันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเปลี่ยนอะไรแต่ให้รู้จักสมมุติให้มากเพื่อจะได้ไม่ไปยึดติดกับสมมุตินั้นๆและเราก็จะอยู่กับสมมติได้โดยไม่ทุกข์นั่นเอง สัจจะแท้อย่าถามเลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสได้รู้สึกอยู่นั่นแหละคือสิ่งนั้นละ่ะจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามใจอย่าถามเลยว่าความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรเมื่อรู้สึกต่อภาวะนั้นๆอยู่มันคือภาวะนั้นแหละจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะ สิ่งที่ปรากฏแก่เราให้ความรู้สึกแก่เราอย่างไรคุณอื่นจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่สามารถลบล้างความรู้สึกแท้จริงของเราได้ชอบภาวะอย่างไหนก็เลือกเอาเถิดทุกสรรพสิ่งที่ประกอบกันขึ้นด้วยาธาตุทางธรรมชาติไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างแต่ทุกอย่างมีลนะักษณะและคุณสมบัติไม่เหมือนกันแต่มีาธาตุทางธรรมชาติดินน้ำลมไฟ เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้ประกอบกันขึ้นมาและการประกอบกันของธรรมชาตินั้นสมมุติกันให้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วแต่ใครที่สมมุติซึ่งในทางธรรมะหรือธรรมชาติก็ได้บอกไว้ว่าธรรมชาติไม่มีการแบ่งแยกและไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังนั้นเราเราท่านท่านจึงเป็นผลของการมีอวิชชา หลงคิดว่ามีตัวตนของตนจึงยังไม่พ้นจากแรงดึงดูดของกรรมวิบากกรรมไปได้ต้องดึงดูดดินน้ำลมไฟมาก่อรูปก่อร่างสร้างตัวกันใหม่เพื่อให้อวิชาตันหาอุปทานมันอยู่ก่อร่างสร้างตัวในทางโลกสมมุติภาษาของมนุษย์ก็คือมุ่งมั่นทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าจะได้มีเงินมีทองทุกคนชื่นชมยินดีที่เขาก่อร่างสร้างตัวได้ นี่คือสมมุติภาษาในทางโลกซึ่งทุกคนอยากได้อยากมีอยากเป็นก่อร่างสร้างตัวในทางธรรมะจะตรงกันข้ามคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะถ้ายังก่อร่างสร้างตัวอยู่นั่นแสดงว่ายังโง่อ ย, ยังยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนมีตนมีของตนจึงยังต้องมีกรรมวิบากกรรมสะสมไว้ จึงยังดึงดูดดินน้ำลมไฟมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างกันอยู่ตายไปวันนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องถูกเผาไปเท่านั้นเนื้อหนังมางสาผมยาวเท่านั้นตับไตไส้พุงทุกอย่างที่อยู่ในขันห้ามีเท่าไห น, นก็เผาเท่านั้นผมยาวแค่ไหนก็เผาแค่นั้นไม่มียาวกว่าอีกได้แต่อวิชชาคือความไม่รู้จริงที่หลงผิดคิดว่ามีตัวตน ล้อุปทานก็ยึดมั่นในความเห็นผิดนั้นอย่างเดียวนั่นจึงอุปทานว่ามีเรามีตัวเราดังนั้นจะได้มีการสะสมกรรมของเราไว้แล้วกรรมนั้นก็จะส่งให้ไปเกิดใหม่ไปก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ตามกรรมวิบากกรรมนั้นเพื่อให้อวิชชาตันหาอุปทานได้อยู่อาศัยต่อไปและได้ก่อร่างสร้างตัวกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วและจะ ย, ยังคงต้องก่อร่างสร้างตัวกันไปอีกเท่าไหร่กัน ในทางโลกยินดีมีความสุขอยากได้อยากมีพร้อมที่จะก่อร่างสร้างตัวในทางธรรมไม่อยากได้ไม่อยากมีเพียงที่จะละอัตตาตัวตนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาก่อร่างสร้างตัวขึ้นใหม่เพื่อให้อวิชชาอยู่เราเกิดมาจากธรรมชาติจากธาตุดินน้ำลมไฟและมีธาตุรู้ซึ่งยังไม่รู้จริงตามธรรมชาติด้วยมีอวิชชาคือความเห็นผิด คิดว่ามีตัวตนเป็นตัวขับเคลื่อนดึงดูดดินน้ำลมไฟมาข่อร่างสร้างตัวให้มันอยู่ต่อไปจนผ่านพบผ่านชาติไม่ท่วนแล้วในเมื่อเราเกิดมาเพื่อออกจากสมมติระหว่างการเดินทางอันยาวไกลก็ต้องเดินผ่านไปท่ามกลางการส ม, มุติต่างๆนานาพอหลานเกิดมาเราก็เป็นป้าเป็นอาเป็นนา้าไปโดยปริยายทั้งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็น ในตัวเราเองก็ถูกสมมุติเกาะติดไว้มากมายทั้งชื่อนามสกุลยดถาบรรดาศักด์การเรียนหน้าที่การงานธุรกิจมากมายเหมือนชีวิตนี้มีแต่ความวุ่นวายตลอดการแต่ถึงกระนั้นก็ยังทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในโลกสมมุติอยู่นั่นเองจึงวุ่นอยู่กับเรื่องราวหลากหลายที่ต้องทายังมีโครงการอีกตั้งมากมาย ท, ทั้งที่เวลาของลมหายใจจะหมดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สุญญาตาในคําสอนของพุทธศาสนาสุญญาตาหมายถึงความเป็นสภาพที่ว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือภาวะที่ขันห้าเป็นอนัตตาคือไร้ตัวตนมิใช่ตนว่างจากความเป็นตนว่างจากสาระต่างๆเช่น ความสวยงามความสุขความทุกข์ความว่างจากกิเลสราคะโทสะโมหะสภาวะที่ว่างจากสังขารการปรุงแต่งจิตทั้งหลายความว่างที่เกิดจากการกําหนดลมหายใจถึงภาวะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไตรลักษ์ยิ่งขึ้นขอให้พิจารณาคํากล่าวของพุทธทาสภิคุดังนี้ พุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นคำรวมยอดคือคำว่าสุญญาตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่างคำว่าว่างในที่นี้ก็คือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคำคำนี้กินความรวบยอดไปถึงหมดทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าว่างจากตัวตนนี้หมายถึงว่างจากสาระที่เราควรเข้าไปยึดถือเอาด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้น ว่าของเราการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากความหมายหรือสาระที่ควรเข้าไปยึดถือนั้นเป็นตัวพุทธศาสนาแท้เป็นหัวใจหรือใจความสําคัญที่เป็นจุดศูนย์กลางของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาความธรรมดาความธรรมดาความเรียบง่ายที่ไร้การปรุงแต่งมีให้เห็นทุกๆวันแต่กลับไม่เคยเห็นมันสักที ธรรมะหรือธรรมชาติคือความธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆมันเป็นของมันอย่างนั้นตามกฎไตรลักษณ์มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งย่อมเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวใครของใครนั่นเองนี่คือความเป็นธรรมดาของกฎธรรมชาติแต่มันไม่ธรรมดาตามความต้องการของเราจึงต้องปรุงแต่งคาดหวัง ตั้งเป้าหมายและบีบบังคับเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองดังนั้นปัจจุบันขณะจึงมีอยู่ตลอดเวลาแต่น้อยคนนักที่จะมองเห็นจะสัมผัสได้น้อยคนนักที่จะเห็นคุณค่าแท้จริงของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นทำให้นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อฝนปราปรายซึ่งได้เคยนาข้อคิดในหลายๆบทความมาลงไว้แล้วนั้น มีบทความหนึ่งน่าจะส ก, กิดเตือนใจให้เห็นถึงความเป็นธรรมดาที่ยิ่งใหญ่โดยที่บุคคลต่างๆมักมองข้ามไปมาฝากอย่างเช่นเส้นผมบังภูเขาที่บอ่ออาบน้ำตอนเย็นวันหนึ่งนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วเหลวไหลามากผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่สบายๆมาได้ถึงห้าโมงเย็นนับว่าทำงานอย่างยิ่งแล้วเสียงจากพระเถระรูปหนึ่ง นี่คือสิ่งธรรมดาธรรมดาที่มองข้ามไปและหาได้ยากยิ่งเพราะขันห้าที่มีอวิชชาครอบงำจะมีแต่พุ่งทยานออกไปไกลจากขันห้าพุ่งทยานออกไปรับเอาสภาวะการต่างๆภายนอกกลับมาปรุงแต่งแล้วทิมแทงให้เกิดทุกภายในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือการอยู่กับปัจจุบันของขันได้โดยไม่ทุกนั่นเอง กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากระลา w w w u f o เขาก a l a c o m